54อุปโตพยัญชนกว่าด้วยอุปโตพยัญชนกบรรพชาห้ามอุปโตพยัญชนกอุปสมบทข้อหนึสมัยนั้นอุปโตพยัญชนกบางคนได้บรรพชาในหมู่ภิกษุเธอเสพเมตุนธรรมในสตรีทั้งหลายด้วยปุริสนิมิตของตนบ้างให้บุรุษอื่นเสพเมตุนธรรมในอิทธินิมิตของตนบ้าง ภิกษุทั้งหลายจึงาบาปทูลเรื่องนี้ให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายอนุปสัมบันิผู้เป็นอุปโตปะยัญชนกไม่พึงให้อุปสมบทที่อุปสมบทแล้วพึงให้ศึกเสียวงเล็บ11